พุทธาวาสคาถาที่สามเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราม์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียไดย้ดุดพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสาตว์สองท้องฟ้าให้สว่างสวยฉะนั้น